อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ592 1. ภิกษุวิกลจริต 2. ภิกษุต้นบัญญัติรูปิยะสังวงาราศิขาบทที่9จบ